บรรดากองอาบัตเจกองจัดเข้ากองอาบัตเท่าไหร่ตอบอาบัตของภิกษุณีผู้กำนัดยินดีการถูกต้องกายของชายผู้กำนัดบรรดากองอาบัต7กองจัดเข้ากองอาบัตสากองคือ 1. กองอาบัตปาราชิก 2. กองอาบัตทุลใจสามกองอาบัตทุกกฎ ละ 5. ปาติเทศนิยกันคำถามคำตอบจัดกองอาบัตในปาติเทศนิยกันละปาฏิเทศนิยักิขาบทที่8ถามอาบัตของภิกษุณีผู้ออกปากขอนมเปรี้ยวมาฉันบรรดากองอาบัตเจดกองจัดเข้ากองอาบัตเท่าไหร่ตอบ อาบัตของภิกษุณีผู้ออกปากขอนมเปรี้ยวมาฉันบรรดากองอาบัตร7กองจัดเข้ากองอาบัตสองกองคือ 1. กองอาบัตปาติเทสนิยะ 2. กองอาบัตทุกกฏสังหะวาระที่สี่